อุปติคาถาคาถาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นข้อ2ดำเนินความว่าพระอาจารย์ผู้เมื่อจะสังวันนาอัดแห่งพระสูตรกล่าวเหตุเกิดขึ้นแห่งพระสูตรและการกำหนดพระสูตรก่อนแล้วจึงสังวันนาเนื้อความแห่งพระสูตรนั้นในภายหลังเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุเกิดขึ้นแห่งพระสูตร แท้จริงพระสูตรทั้งหมดมีเหตุเกิดขึ้น4ีอย่างคือเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของตนเองหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเกิดเรื่องขึ้นหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามหนึ่งบรรดาเหตุเกิดขึ้น4ีอย่างนั้นพระสูตรทั้งหลาย มีทวายตานุปัสนาสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของตนเองเมตสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นอุรักขหสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะเกิดเรื่องขึ้นวามิกาสูตรเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามบรรดาเหตุเกิดขึ้นเหล่านั้น เหตุเกิดขึ้นเพราะอำนาจคำถามท่านประสงค์เอาในมงคลสูตรนี้ความจริงแม้มงคลสูตรก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจคำทูลถามนั่นเอง